ครับที่โปรยเข้าต่อดอกไม้เมื่อวันที่พระเจ้าเสด็จข้ามแม่น้นําอโนมานะูตุวัติที่นี่แปลกมากครับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันแล้วไม่มีฉากกรณนิพนธ์ครับพระพุทธเจ้าพุทธะนั้นไม่เคยตายเรื่องหน้าทึ่งมากเขาแปลกประหลาดเขามีวิธีสื่ออะไรที่ลึกกว่าของเราเพดังนั้นเมื่อท่านออกบวชท่านก็เริ่มตั้สอน แต่โดยเฉพาะเมื่อตอนเป็นทาลกน้อยนอนหลับอยู่เมื่ออสิทธดาบดมาเยี่ยมพระราชบิดาเพื่อจะดูลักษณะของพระกุมารเนียเจ้าชายได้ยินด้วยทิพยโสว่ามีฤาษีตนหนึ่งจะมาดูลักษณะทรงเมตตากรุณาทั้งแต่เป็นเด็กทาลูอนอนฟังอยู่ว่าอสิทธดาบด ท, ทูลอะไรกับพระบิดาบ้างแล้วก็อาศัยความเอนดูซึ่งอบรมมาหลายแสนชาตินะฮะลืมตาขึ้น หรือลุกจากตื่นตื่นนอนค่ะคุตื่นด้วยความเมตตาผู้อื่นเขาเขียนละเอียดายมากเลยครับดูดูใ่าง่ศิลปานะครับนักเทศพิดานี่หอบแล้วถ้าเคยไปที่นครศรีธรรมราชที่วิหารสมมาเจรพบว่าเทวดานี่ได้แบบอย่างนี้หรือเชื่อมโยงกันครับสิ่งหนึ่งทึงล่ล้มเลี้วอธิบายในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือเอาจากศรีวิชัยนั้น เป็นที่ส่งเสียงกันว่าศูนย์รวมราชอำนาจครั้งนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่ใดแน่แตกกันเป็นสองทฤษดีอยู่นะครกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าคือสีวิชัยที่ช ย, ยาก็จะมีหลักฐานเหลืออยู่เช่นภูเขาชื่อสีวิชัยหรือตําบลที่ลงท้ายด้วยชยาก็ไดอาจจะเป็นชื่อลัดสั้นของสีวิชยาก็ได้แต่ที่สําคัญคือมีปฏิมากรรมพระโพสต์โปรโลดีสวนสำริดซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราคนพบ ในประเทศนี้นะแต่ไม่มีปฏิมากรรมฉลักหินนะแต่ที่ยอกยาคตาที่บรอบโดตั้งอยู่เดี๋ยวนี้นะรเราพบว่ปฏิมากรรมมันล้ำเลิศในหินแต่ไม่พบในสำลิปใหญ่ๆนั้นมายความขัดแยง้งมีอย่างรุนแรงนะปกตินะถ้าศิลปกรรมมันรุ่งเรืองกันที่หนึ่งที่ใดมันต้องถึงพร้อมและหลากหลายคือทั้งสำลิปทั้งหินทั้งอะไรนะแต่มันแยกส่วนกันอยู่นะครับ อีกทฤษฎีหนึ่งกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าที่ปาลมบังแต่ที่แน่ที่สุดบรูพโทนั้นเป็นที่ยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดนเอดังที่ผมเกินแล้วว่าการปรากฏกายขึ้นของอารยธรรมสูงส่งนี้เกือบจะไร้ที่มาครับปกติเส้นกราฟของอารยธรรมสูงส่งเนี่ยต้องค่อยๆทวีขึ้นเช่นจากศิลปะที่เป็นพร i m i t i v ค่อยๆพัฒนารูปแบบส่วนตน้อยทั้งเทคนิคทั้งรูปทรงอะไรเนี่ย ที่รบุโทนี้ปรากฏที่มาอย่างพูดพลาดไม่ต่อเนื่องกับอารีอื่นแล้วถึงวันที่ลาจากไปก็ไม่มีลูกหลานหลงเหลือคือศิลปะบันชวานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่เชื่อมตรสานเชื่อมโยงแล้วก็ที่ว่าใช้แรงงานมากลาวเขาคนเดียวทำมีคณคนหนึ่งครับผมเชื่อเป็นคนที่มองค่อนข้างแม่นผมค่อนข้างเห็นด้วย คือคุณครูธรรมช า, าตุาณิชย์น้องชายของทนาจารย์เฉิโมกนะครัครูพยายามที่จะเฉลยปัญหานี้กับเขาด้วยคนหนึ่งแล้วท่านก็ชี้แดะว่าการปกครองของราชอาณาจักรทะเลใต้ของราชวงศ์ศรีวิชัยนั้นใช้ระบบโรดทารีคือไม่มีส่นรวมหน้าที่แน่นอนกินช่วงนานแต่โยกย้ายอันเนื่องแต่บุญญบารมีของพระราชาราชวงศ์นี้ เช่นยุคใดที่พระเจ้า่นดินราชวงศ์เซเรนทรานะครับประทับอยู่ที่ชายาแล้วมีบารมีสูงสูนรวมก็จะรวมที่นั่นแล้วย้ายไปที่เขเมรโบราณย้ายไ้ที่ปะลับังโนเทสเาใจนะครับและดังนั้นมหาสถูปที่นี่ถูกร่วมแรงร่วมใจของราชอาณา จ, จักรศรีชัยทั้งหมดร่วมกันสร้าง แรงงานจึงไม่อาจาค้นพบได้บนเกาะชวาเป็นการรวบรวมจากหลายราชอาณา จ, าาจากักรผมฟังดูรู้สึกเหตุผลนี่ชัดเจนดีมากครับทำให้หายข้องใจไปเรื่องแรงงานนะเพราะว่าขนาดของสิทธูฝีมือนี่มันสอ่อเขาว่าประชากรที่อยู่เมื่อก่อนนั้นต้องมากต้องมากพอครับที่ที่จะระดมกันมานะครับเพื่อจะรองรับการสร้างสิ่งใหญ่ตโตโหฬารและ เรื่อละเอียดตอนนี้ได้ต่อไปครับ น, นี้เนื่องจากท่ายแง่มนิดนะฮะเลยดูสัดส่วนคกล้ๆท่อนล่างยาวมากท่อนล่างดูจะเป็นประทีบครับที่เป็นเปลวขึ้นไปเลยรายละเอียดเราจะเก็บรายละเอียดนี้ศึกษามันอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นครับเอ่าชั้นที่สองและที่สาม มีลักษณะเงื่อนไขจํากัดในการสร้างรูปแบบเช่นการแต่งตัวในพุทธวัตรจาเป็นมากที่จะต้องอยืมมาจากอินเดียโบราณด้วยนะแต่ท่อนล่างที่ฐานนั้นเนื่องจากอิสระจากเงื่อนไขเหล่านั้นดังนั้นเองฉากโลกมนุษย์โลกียามนุษย์อะไนะกลายเป็นแสดงออกอย่างเสรีมากแล้วมันมีคุณค่าทางด้านมรารดีตรงที่ มันได้สะท้อนนิ่ถีชีวิตความเป็นอยู่บนเกาะชาวาเมื่อพันกว่าปีได้อย่างเด่นชัดสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะกล่าวในที่นี้นะครับว่าประวัติศาสตร์ที่จดจารโดยน้ำมือมนุษย์นั้นอาจจะถูกบิดเบือ น, นช่อฉนได้ง่ายครับขึ้นก็่ว่าผู้จดจารผู้เขียนนั้นมีอคติเขียนหลอกลวงหรือเติมแต้มสีสันขึ้นก็ได้แต่สหรับหน้าต่างของศิลปะแล้วบิดเบือนไม่ได้ครับ ือถ้ายุคสมัยนั้นผู้คนชีวิตด้านในเจริญรุ่งเรืองนี่ก็จะสร้างสรรค์ศิลปะบริสุทธิ์ขึ้นมาเขาจะแกล้งทาเป็นทำไม่เป็นก็ไม่ได้หรือตกตําเสียมตมแซงสร้างศิลปะให้สูงตรงทำไม่ได้ครับเพราะศิลปะเป็นเพื่อนสะท้อนอารมณ์สุนทรีอันเลอเลืนในภายในของมานังนั้นเมื่อเรามองสังคมผ่านทางหน้าต่างหรือบริทั์ ของศิล ป, ปะแล้วเราจะเห็นความจริงตรงๆครับคือขั้นในหู้กรอนจะสร้างสารรค์ศิลปะไม่ได้ให้เลือเล่อนไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงในตรงนี้ต่อไปครับที่ยังอยู่ที่ฐานล่างครับต่อครับน่าทึา่งเลยเกินครับที่กล้อง จับได้เป็นมุมๆเราไม่สามารถเห็นภาพทั้งหมดนี้ได้เลเห็นแล้วจะรู้สึกว่าโอ้เข่าอ่อนเหมือนที่ผมเป็นลย่างนับนคือรู้สึกทำไมเนาะศรัทาเขาจึงท่วมท้นขนาดนั้นเขาอยู่ในยุคสมัยซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้วิเศษวิโสกว่าปัจจุบันนี้ด้อยกว่าด้วยซ้ำไปแต่พลังน้ำใจเขามหาศาลความทุ่มเทองเขาความจริงใจของเขาเนาะ วันนี้เรามีคอมพิวเตอร์เรามีทุกอย่างแต่เราทำไม่ได้เราไม่เห็นสาระด้านในของชีวิตเรามุ่งใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องไม้าคกืกมือเพื่อสนองชีวิตด้านนอกซึ่งล้นแล้วแต่นำไปสู่วิทยาการแผ่ขยายกว้างออกทุกทีต่อไปครับึ่าอ่ามคดูอรงกลางหรือทุ่งท่าที่ยืน น, นิ่มนวน สำหรับความว่าใของผมในฐานะที่เคยเรียนศิล ป, ปะมาบ้างผมถือว่างานศิล ป, ปะที่นี่ทะลุทะลวงยุคสมัยแล้วครับไม่ว่าเ็นรี่มัวหรือประติมากรคนไหนครับเขาเข้าถึงความงามมันเล่นเลิศของประติมากรรมแม้จะมีข้อจำกัดในเครื่องแต่งตัวบ้างอะไรนี้ครับต่อไป ก็เห็นได้ว่าแบบอย่างนี้ได้รับอีกคนมาจากอินเดียนะครับเป็นอินเดียนไนส์เตชันแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยมีอะไรบางอย่างซึ่งซอฟกว่านุ่มนวลกว่าละเอียดอ่อนกว่านะแต่โดยเฉพาะไอ้ความเข้าใจในกรุ๊ปปิ้งนะฮะในวิชาศิล่ะมีเวลาวางองค์ประกอบเนี่ยเห็นะตัวฟิกเกอร์มากเลยเขาเฉลียวฉลาดเหลือเกินรั้วข้างหน้านี่คงเป็นรั้วไม้แน่ใช่ไหมฮนะแต่เขาสลัดถ่ายทอดรั้ว ของชาวทวาื่อสมัยโน้นอึน่งน้ฉากนั้นจำไม่ได้ครับนี่คือกินรีครับตอนกินรีถูกบังคับให้ให้ตายนะครับด้วยด้วยการเผาเ น, นื่องจากการกลั่นแกล้ง ก, กันกินรีก็ซึ่งเป็นสัตว์แสนสวยและสุดฉลาดก็ขอให้ประทาน อีกระหงังเพื่อจะฟ้อนลาพร ะ, พระสวามีนนะดังนั้นถ้าพูดภาษาฝรั่งว่าภาพนี้คือมโนราอินกริฟ ah มโนราในท่าที่โศกเศร้านะแต่ฟ้อนลำให้ให้ให้งดงามถึงที่สุดทัดท่าให้วิเศษ ส, สุดเพื่อที่ก่อนที่จะบอยบินกลับสู่กายลาดเปพบภาพที่แปลกไปนะคเราเห็นฝูงนกบิดตามจินนรีด้วยครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้าง เป็นอัตวิอัตนาของตัวศิลปินเองในพระกรรมทีก็ได้บอกไว้นะครับว่าลกดินกล้ามแต่ศิลปินมีอะไรบานสิ่งที่เขามีอิสระศิภาพที่จะเติมในสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องมีเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ที่เหมือนมโหฬีนะเป็นซิมโฟนีทางเสียงในการชื่นชมศิลปะนะครับถ้าศิลปะนั้นทะลุทะลวงว่วงการเวลาได้แล้วนะครับประติมากรรมจะสะท้อนดนตรีมาด้วย คมันจะทูลุทลวงออกทุกมิติในปฏิมากรรมจะมีจิตกรรมคนระับในจิตกรรมจะมีหน้าตลักนี่จะเป็นท่าหน้าตลักด้วยนะ่รับไอ้นี้นี่เหมือนฐานล่างที่ว่าเนอะฐานกรรมวิพังอันนี้คนละบดแล้วนะผมเข้าใจอันนี้เป็น อ, อสุริยเทพครับโบทพรหมพนันธ ใกล้ๆกันครับสีไม้ลายมือก็เข้าใจว่าหยิบยืมกันหรือเชื่อมโยงกันอยู่นะครตามยุคตามสมัยแต่ว่าสไตล์ทางศิลปะน่ยยังเชื่อมโยงและผมเชื่อก็ช่างก็สืบสกุลเดียวกันด้วยวุน่นวามากเนะงี้ยาพนี้อยู่เลยสีเทศ <c oughs> นึกไม่ออกครับเป็นภาพอะไร น ะ, ะโดยเฉพาะองค์ที่นับใบหน้านะองค์ที่สามจับขวามืองามบริสุทธิ์เหลือเกินเทพปิดา mm hmm. ทั้งหลาย mm hmm. กำลังอนุโมทนาครับ mm hmm. เมื่อพระพุทธองค์ mm hmm. เจ้าชายเสด็จขี่กัญชกร mm hmm. เผินไปในท้องฟ้าแต่เดี๋ยวจะเห็นความแปลกประหลาด mm hmm. ก่อนนี้ยังไม่ถึงฉากประจนมา น, น ะ, ะแต่ว่าพระเจ้าสอนตั้งแต่ เป็นแต่ต้นมือเลยนะเห็นไหมครับแล้วแต่ครับอันนี้จะเป็นบัรจักรวทีหรือไม่ผมไม่แน่ใจครับนะไม่แน่ใจ ไปครจะเป็นโพยกัดองค์หนึ่งองค์ใดครับถ้ามีพุทธทูปนั่งอยู่ที่หน้าผาเราต้องเข้าใจอันทีก็คือเอาโลกิตส่วนหนึ่งแต่นี้ดูไม่ชัด จะเป็นสีอารยมเมตไตรครับเอ่อสังเกตได้จากเซิร์ดบุณในหตุนี้ใครอบพิเศษป่าไายทั้งหมดสีอารยมเมตไตรคือพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตครับ น, นี่นีเหมือนจะข้ามแม่นะ้ำโนมารดูเส้นจีวรนะเล้วนี่ลังเรียนมากคนระับที่เห็นหินเคลี้ยง น, น, นั้นหมายความว่าภาพต้นแบบจริงๆนั้นพังทลายหาไม่เจอครับหลังจากบูรณะ ถ้าเวลาร้อยปีบุรณะขึ้ น, นใหม่เลยได้เท่าที่เป็นอยู่นี้แล้วนะครับเหลือหินที่ต้องทําจิก่อที่กต่อหมายถงเล่นภาพติดต่อนะแล้วมันต่อไม่ลงเนี่ยกองเป็นภูเขาเรากาลคือไม่รู้ไม่รู้จะต่อก็ไปส่วนไหนมันเหมือนเกมกีฬาของเด็กๆที่เลียกจิกซอใช่ไหมฮะที่ึิดต่อภาพภาพต่อเติมเนี่ยต่อแล้วต่อไม่ลงครับต้องสร้างวิตภัณฑ์อีแทลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อคุ้มครองนะบอกเล่าไว้อีกนิดนครับ ใกล้ๆกับบริบูรนี่มีเซบูครับมีเจดีอีก400องค์ใหญ่ๆซึ่งรัฐบาลในโนเยเซียไม่มีเงินที่จะพื้นภูโบนณกมามาเขาคงต้องรอชาพุทธทั่วโลกช่วยเหลือครับ400องค์ครับอ ง, องค์ใหญ่ๆทั้งนั้น นี่ชัดว่ากิจนาการของช่างที่สว่างต่อพระพุทธองค์นะการยิ้วบาทนั่นคือถุงบาทไม่ใช่ถลกบาทเนะีเป็นถุงที่หลับยิ้วและมีบาทเหมือนภาพเดียวกันนะภาพรวม ข้างบนที่รอยอยู่นั่นคือเทพทิดาและเทพประบุเรี่ยโดยปลายดอกไม้สังเกตท่านนั่งไงดีครับนั่งชันเข่าแล้วดูเหมือนจะมีสายรัดระหว่างเอวค่อนบนนะครับสูอกกับเข่าเราอาจจะน่าทดลองใช้บ้างนั่งอาจีสบายก็ได้นะครับเมื่อเราไปซื้อโซฟาหรืออามแพ้เพื แสดงโบราณเขาเขาค้นหาท่าโยคะได้ผมเคยทดลองรู้สึกสบายมากครับจะนั่งน้ำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเผ่าน้ำเหมือนกันนัอนนี้ผมบอกให้อาจารย์ยุทธศัสตร์ถ่ายเองครับตอนจะรักก็กรองรักสนิทสนมของโ้าวัพด์ล้วของผู้เจ้ากับยโสธรพิมพาหรือ กัจฉนานครับซีที่แดครับคือพุทธวัตของมหายานว่าเล่าว่าสเสด็จจูงมือยโสธราพิมพามาแนะนำให้พวกชาววังรู้จักเจ้าชาเป็นผู้ที่มีมนุษ ย, ษยธรรมและความอ่อนโยนสูงยิง่งครับพระวรมนี้เขบอกที่มือเนี่ยสวยไม่เสร็จอาจารย์เขาเลย่ายาจูงมืออยู่นะมือของยโสร ธ, ธราอยู่ในมือของ เ็จะาศัยกับเขานีก็สวยมากนะฮะแม้จะผูกร่อนหรตามปัญหาหลักที่บรุพุโตเผชิญมาพันกว่าปีนั้นก็คือน้ำฝนนะฮะน้ำฝนไดเคาะลึกลงไปหินข้างล่างจนเข้าไปเกิดเชื้อราแล้วก็กัดกร่อนทีนี้นะักวิชาการได้ใช้ คุณทราศาวสารวจเห ม, มือนทุกๆช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองให้ถึงที่สุดคลวนบช้างและมาเสด็จเหมือนเสด็จเรียบพระนครหรืออย่างไรผมไม่มั่นใจคนระับดูการเคลื่อนไหวนะเวลาเราดูศิลปะ เ, เราดูเส้นที่มันสอดสารรับกันเนอะ้ก่อเกิดความเคลื่อนไหว ท่วงทานองเนิบช้าหรือว่าเร่งรัดหรือเร่งรีบอะไรก็ตามมีเรื่องพุทวัติเล่าไม่ตรงกันทั้งฝ่ายนะินยานและมหาญาณนะครับของเราเล่าว่าเมื่อมายาเทวีประสูตรราชโอรสนะเสนเสด็จ ก, กลับเทวทหานครเมืองแม่เมืองมันดาตามขนบประีนีโบราณ แต่มหญญายานไม่ได้รับรองความคิดนี้ความคิดของหายาชามหายานก็คือเพียงแต่มายาทีวีประสงค์จะไปเที่ยวที่สวนป่าเท่านั้นเองจะไปเที่ยวชื่นชมเพราะเป็นฤดูที่ดอกสาระกำลังเบ่งบานโค้งงามมากฉะนั้นพนางก็ไปเพื่อจะเล่นสารพันธิกาการหักช่อ ด, ดอกสาระช่อ ด, ดอกไม้ของกุศลปรารถนาคว่างเล่นกันเป็นเกมกีฬา แล้วบาเงินประชวอประสูตรที่นั่นไม่ได้ไปเมืองแม่ไม่ได้ตรงไปเพื่อจะไปคลอดผมดูเหตุผลก็กำกึ่งมีน้ำหนักสูงเหมือนกันโอ้นี่ภ้าวนี้ใหญ่นะฮเจ้าชายเสยด็จไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนครับมีเรื่องแปลกที่ขวเขียนว่า ที่จริงเจ้าชายตอนเด็กๆนั้นเมื่อเสด็จเข้าสู่วิหารใดรูปสลักเทพเจ้าลุกขึ้นมาฟุบหมอบอยู่ข้างหน้าเ้าก็เคลีให้มันมันเป็นลิเลเลเจครับแล้วก็การเสด็จไปเรียนหนังสือของเจ้าชายนั้นเป็นเพียงอุบายที่สอนเด็กไว้เดียวกันและสอนครูผู้กำลังสอนตนเองอด้วย เราบังเรียนพ่อแม่จะไปส่งนะแต่ว่าในพุทธวัตรมหาญาณเนี่ยเทวยยดาหลายชั้นในสูงสวรรคนำทางโลกไปกรรมุญญพังครับที่ฐานที่ถูกกลบผมเล่าค้าง้นี่ยนะฮะเมื่อถูกกลบแล้วนี่นะะกลบมาพันกว่าปีแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งกลบนะ ทนี้มันนักโบราณดีวันเอิร์ฟที่เปนชาวเหมือนเดนมารอกนะ บ, บูนาเป็นคนแรกเนี่ยเขาค้นพบโดยบังเอิญครับคือไปขุดส่วนหนึ่งเขาเลยเป็นเหตท้องสาวต่อขุดลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนในสุดเขาเห็นภาพเปิดเผยภาพเหล่านี้นะฮะอมตะ ก, การตายริงครับในสุดเขาก็ขุดรอบเลยนะครับฐานทั้งหมดเนื้อที่หลายตารางวาทีเดียวครับแต่แล้วก็เกิดเฉลียวใจหลังจากขุดรอบหมดแล้วที่ว่าวก็กขาตกทำไม พอนื้อได้ก็าถมกันอย่างทันทีเลยครักลัวว่าฐานมันจะพังลงมาโดยเหตุผลที่ไม่แน่ทัดก็กบทับแล้วแหวนเอิบก็กลับบ้านเกิดมึงนอนก็หมดงบประมาณแล้วอํานาจรัฐที่ปกครองนี่นี่สิก็เปลี่ยนมือนะครับมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้อีกเลยว่ามีฐานเลยนะหลังจากเปิดเผยมาเมื่อร้อยปีเียงช่วงสั้นแล้วนะครตากล้องคนที่ถ่ายภาพเหล่านี้ไม่ได้ กล้องอันนี้ส่วนหนึ่งเนื้อเขเปิดได้เห็นในนั้นเพื่อการศึกษาของนักโบรกิคดีในนั้นกล้องคนที่ถ่ายภาพไปหมดเนื้อ เ, เขาก็เป็นลูกกำพร้าทีนี้ได้าชาวเดนมาร์กอุปถัมเป็นพ่อแม่บุญธรรมเมื่อเกิดงานที่นี่เขาก็ตามพ่อแม่บุญธรรมไปอยู่ที่เดนมาร์กแล้วก็แต่งงานมีลูกมีหลานฟิล์มที่ถ่ายไว้เนี่อถูกเก็บไว้ที่เดนมาร์กครับจนกระทั่งมาถึงชั้นหลานเลน ไปคนดูก็เพราะว่าพบหลักฐานที่ฐานพโระวุฑฒน์ยังถูกกลอกไว้อีกตั้งสิบเมตรเรื่องมีมีตำนานมีเรื่องราวเบื้องลอหลังมากมายครับโอ้สวยมากนะฮสวยทุ่งท่าเราต้องดูอารมณ์ครับเส้นสายี่ออนโยนนะครับซึ่งถูกเศกสร้างขึ้นจากสุดทร ง, องของมนุษย์ประสานรับกับใบหน้า อารมณ์ในใบหน้าก็นิ่มนวนสานกันมากกับกับเส้นนึ่งเงี้ยความเฉลียวฉลาดอารมณ์ภายในศิลปินเนี่ยเขาเขาเข้าถึงดรามา่าเขาเข้าถึงการเริงรำเ น, นเขาก็ถึงว่าความงามในการเคลื่อนอวัยวะแขนขาที่เป็นที่มาของหน้าตลักษณ์หน้าตยคุคข้า่างๆะ สง่างามมากนะอนี้นั่ ง, างภาพพระโพสต์ทุกภาพจะให้ความรู้สึกที่เชื่อมั่นในธรรมะนะซึ่งเราดูแล้วเราจะรู้สึกคล้อยตามครับ<ม>เห็นทุ่งท่าที่ยืนอย่างสง่างามผู้ที่ท้าทายต่โชคชะตานะ <c oughs> ผมไม่ไปออกครับนมาพอะไร แสงจ้าไปนหนึ่งพราเวลาถ่ายนี่มันเราแทบจะเลือกเวลาไม่ได้เลยเนะยคือนั่นคือตั้งแต่สามโมงถึงถึงบ่ายสามโมงนี่ไม่มีที่จะแทรกตัวขึ้นมาไดนะ้ทุกวันบางทีต้องทนมากต้องนั่งรออยู่จนกระทั่งใกล้ครบจริงๆเนะี่ก่อนที่ประตูหน้าจะปิดจึงจะสามารถอสัมผัสบรรยากาศที่ ขลังเมื่อศักดิ์สิทธ์ได้ครับต่อไปครับนี่คือการละมุก ค, ครับประตูแห่งกาละเขาจะทำไว้สามขั้นครับหมายความว่าเมื่อจิตถูกยกระดับขึ้นสู่จากการมภูมิไปสู่รูปภูมิไปสู่รูปภูมิมนะแล้วแล้วหลุดพ้นไปโลกระภูมิเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเ้นส์ซับไทมครับการความรู้สึกเนื่องกับเวลาเปลี่ยนไปเป็นชั้นเนชันสามหน นี่ต้นไม้อย่างชีวิตเข้าใจว่าร่วมร่ากับความหมายคำว่าต้นการระเบิดพืชกันเหรซึ่งฝ่ายเดลวาร์เชื่อว่าต้นการพืชขึ้นสี่มุมเมืองหมายถึงความมั่งคั่งของชุมชนหรือสินทานนั้นต่อไปครับอันนี้เรียกมาก่อนนะครับซุ้มจระนาที่เห็นนย่นะครมีพุทธรูปขนาดใหญ่เลยนะครับห้าร้อยสี่องค์ จทั่งว่าศิลอาะลึกบางแห่งร่วมสมัยหรือใกล้เคียงนะยุคสมัยใกล้เคียงเรียกที่นี่ว่าภูเขาแห่งพุทธะแล้วมีบันทึกของคนนอกซึ่งไม่รู้จักมันแสดงไม่ใช่ชาวพุทธเขาบันทึกว่าได้ไปเห็นโบสถ์ที่มีพุทูปนับพันห้อยคะแนแล้วก็มีปราดผู้เท่าที่ถูก จำกรงอยู่ในในคุกเดี๋ยวจะรู้ว่าคืออะไรสวยมากเลยครับกลุ่มนี้คือจำกรงคือสถูปเจ็ดสององค์ข้างบนเนอเป็นสัญลักษณ์ของสภาวธรรมครับอันนี้เป็นภาพสเก็ตของอาจารยยุทธศาสต ร, ร์ซึ่งเขาแม่นยำมากครับก็ถ้าเวลาที่ช่วงสั้นนิดเดียวในขณะที่ถูกเบียดทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถถ่ายทอดผมทักนาไปเพราะว่า คนหนุ่มคนนี้เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะตื่นความงามของบันพบรุษชาวพุทธแม้จะเป็นชาววตาก็ตามเขาไวมากครับเขาใช้เวลาตับเดียวนั่นเองแต่เหมือนสมาธิเขาแก่กล้าพอใช้ครับเพราะว่าถ้าคนที่มีสมาธิจะทำไม่ได้ แบบร้อนเหนื่อยหิวกระหายน้ำคนเบียดหน้าเบียดหลังแถมบางคนมาขอสิเขียนไว้ันเสร็จนะถ้าวันนี้อาจจะถูกแสดงขึ้นวันใดวันหนึ่งครับพ่อผมแนะนำให้ไปกันอีกหลายครั้งเพื่อจะเป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดความงามของพุทธศินที่ล้ำเลิศที่สุดเท่าที่โลกเคยมีครับเพื่อให้เพื่อนมนุษย์คนไทยที่ไม่มีโอกาสจะจู ้ารเก็บภาพนี้ความสำคัญลึกซึ้งกว่าการถ่ายภาพครับสีไม่ได้นะครับี่จริงสีสวยกันทีมากครับแต่ว่าตอนถ่ายคล ไ, ไม่สมบูรณ์ ทีนี้พูดได้ว่าเกิดกลุ่มสต๊าดี้บ ร, บ ร, บรูบูโดกินแล้วครับถึงเวลาที่จะมองครับง ว่าข้างวินไปกล nah ับเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับครับับเป็นเดือยครับครับผมเชื่อว่าศาสตร์ในการกระทำให้หินเข้ากันสนิทนี้นะครับบางพวกสันนิษฐานว่าเป็นอย่างไม้นะครับ แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีแต่ไงก็ตามมีหลักฐานที่พระบรมธาธชาติยานะครับนักวิทยาดีเคยตัดชิ้นส่วนของอิฐรอยเชื่อมนี่นะส่งไปที่ปารีสศูนย์วิจัยทางาด้านวิทยาดีผลนะั้นวิจัยกลับมาว่าเป็นศาสตร์ที่สาสร์ศูนย์คือไม่มีใครรู้อีกเลยว่ามันติดกันได้ยังไงครับบางทีอาจจะไม่มีมอตา้าบางทีอาจใช้อุณหภูมิในตัวของหินเองหรือ ได้แต่เดากันไปนะฮะแต่ผลก็คือเ อ, อผลก็คือสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะให้แนบสนิทบรรลุเป้าหมายนั้ น, นครับแสดงเขาต้องมีช่างที่ฝนผมเชื่อเขาจะแบ่งงานกันนะช่างตัดช่างกลาวช่างฝนจนกระทั่งช่างวาดแล้วต้องตั้งหมู่บ้านเหมือนที่ตนหวางนะครับตนหวางหรือตุนหวงที่จีนนั้นครบล่องรอยข้าหมู่บ้านครับคือหมู่บ้านช่าง คงออกลูกออกหลานออกเหรีออกหลนมาเพื่อให้เป็นช่างที่จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ได้คนโบราณใช้วงตระกูลใช้เลือดใช้เนื้อเพื่อที่จะสร้างสิ่งวิจิตรนี้นะฮะผมเก็ต ด, ดูไม่ยาวมากครับประมาณสักเข้าใจไม่เกินสองไม่เกินสามนิ้วเราเรียกกันในทางช่างวันเดือยตัวเมียตัวผู้นะฮะก็อันนี้ยื่นอันนี้แล้วก็ประกบประกบแล้วนี่มันมันจะ แั่นทีเดียวเพราะว่าตราบใดที่ไม่มีแรงมากระทำจากภายนอกนะแต่ว่าถ้าแม้ว่ามีแรงเคลื่อนมากระทำแล้วเนี่ยโครงสร้างอาจจะรวนแต่เนื่องจากตัดสินใจและอย่างรู้ว่าจะเกิดเหตุเหล่านี้นนะดังนั้นหินก้อนเล็กๆ ก, ก็จะพังทลายแต่โครงสร้างหลักจะอยู่ซึ่งคนที่ไม่ถึงขนาดเป็นช่างก็สามารถซ่อมได้ตามนั้นนะ